ภาวะแห่งนิพพานเมื่อสังสารวัฏหายไปก็กลายเป็นวิวัตตะขึ้นเองทันทีเป็นของเสร็จพร้อมอยู่ในตัวไม่ต้องเดินทางออกจากสังสารวัฏที่แห่งหนึ่งไปสู่วิวัตตะอีกแห่งหนึ่งเว้นแต่จะเป็นการพูดในเชิงภาพพจน์หรืออุปมาเมื่ออวิชชาตัญหาอุปาทานดับไป นิพพานก็ปรากฏแทนที่พร้อมกันจะพูดให้มั่นเข้าอีกก็ว่าการดับอวิชชาตันหาอุปาทานนั่นแหละคือนิพพานตามปกติของปุถุชนอวิชชาตันหาอุปาทานย่อมคอยครอบงําเครือบแฝงจิตใจกํำบังปัญญาและเป็นตัวชักใยนําเอากิเลสต่างๆให้ไหลเข้ามาสู่จิตใจทําใจให้ไหวให้วุ่นให้คุณให้มัว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 หรือเพราะมัวสารวนเพลินอยู่กับสิ่งอื่นก็ได้รู้ได้เห็นขึ้นเกิดเป็นความรู้เห็นใหม่ๆจิตใจเปิดเผยกว้างขวางไม่มีประมาณโปร่งโล่งเป็นอิสระเป็นภาวะที่แจม่มใสสะอาดสว่างสงบและเอียดอ่อนประณีตลึกซึ้งซึ่งผู้ยังมีอภิชาตันหาอุปาทานครอบงาใจอยู่อย่างที่เรียกกันว่าปุถุชนนึกไม่เห็น คิดไม่เข้าใจแต่เข้าถึงเมื่อใดก็รู้เห็นประจักษ์แจ้งเองเมื่อนั้นดังคุณบทหรือคาแสดงคุณลักษณะของนิพพานว่านิพพานอันผู้บรรลุเห็นได้เองไม่ขึ้นกับการเรียกให้มาดูได้ควรน้อมเอาเข้ามาไว้อันวินอยู่ชนพึงรู้เฉพาะตนพึงสังเกตว่าคุณบททั้งห้าอย่างของนิพพาน ตรงกับคุณบท5ข้อท้ายของพระธรรมทั้งนี้สอดคล้องกับความที่ท่านอธิบายกันมาว่าคุณบทข้อที่หนึ่งของพระธรรมคือสว่าขาโตเป็นคุณลักษณะของพระธรรมส่วนที่เป็นคำสั่งสอนที่ต่อมาเรียกว่าปริยติธรรมคือธรรมอันพึงเล่าเรียนคุณบทที่2ถึง6คือสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโก โอปัญิโกและปัจจตังเวทิตัปโภวินยูหิเป็นคุณลักษณะของโลกุตราธรรมโดยเฉพาะการที่ผู้ทุชนไม่สามารถนึกเห็นไม่อาจคิดให้เข้าใจภาวะของนิพพานได้นั้นเพราะธรรมดาของมนุษย์เมื่อยังไม่รู้เห็นประจักษ์เองซึ่งสิ่งใดก็เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยอาศัยความรู้เก่าเป็นพื้นเทียบคือเอาสัญญาที่มีอยู่แล้วมากาหนด แล้ววาดภาพขึ้นใหม่จากสัญญาต่างๆที่เอามากำหนดเทียบนั้นได้ภาพตามสัญญาที่เป็นองค์ประกอบเหมือนอย่างคนไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักช้างเลยเมื่อมีใครพูดขึ้นแกเขาว่าช้างเขาจะไม่รู้ไม่เข้าใจนึกอะไรไม่ได้เลยอาจจะกำหนดไปตามอาการกริยาเป็นต้นของผู้พูดแล้วอาจจะนึกว่าผู้พูดกล่าวพฤะลวาษแกเขา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 นอกเหนือออกไปจากการรับรู้ที่ถูกอวิชชาตันหาอุปาทานครอบงําเป็นภาวะที่เข้าถึงทันทีพร้อมกับการละกิเลสที่เคลือบกลุ่มใจหรือพ้นจากภาวะลักษณะต่างๆที่เป็นวิสัยของปุถุชนเหมือนเลื่อนฉากออกก็มองเห็นท้องฟ้านิพพานไม่มีลักษณะอาการเหมือนสิ่งใดที่ปุถุชนเคยรู้เคยเห็น ผู้ทุชนจึงไม่อาจนึกเห็นหรือคิดเข้าใจได้แต่จะว่านิพพานไม่มีก็ไม่ถูกมีผู้กล่าวอุปมาบางอย่างไว้เพื่อให้ผู้ทุชนพอสำนึกได้ว่าสิ่งที่ตนนึกไม่เห็นคิดไม่เข้าใจไม่จำเป็นต้องไม่มี